อินทริยาปะรปริ ย, ะตะยัตตญาณญาณที่หอินทริยาปะรปริ ย, ะตะยัตตญาณปรีชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายญาณข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องทราบเป็นอย่างดีว่าคนคนนั้นมีอินทรีย์ทั้งห้าเป็นอย่างไร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 หมายความว่าบางคนมีศรัทธาน้อยไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องกฎของกรรมหรือทำในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่ามีอินทรีย์หย่อนแต่ถ้าหากคนไหนพื้นอัจิยะาัายที่มีมาตั้งแต่เดิมเป็นคนมีศรัทธาแก่กล้าเป็นต้นว่าเชื่อในเรื่องกฎของกรรมอย่างลึกซึ้ง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 เมื่อเข้าใจในเรื่องศรัทธาหย่อนและยิ่งเป็นอย่างไรสำหรับข้ออื่นก็ขอให้พิจารณาดูตามแนวนี้ข้าพเจ้าเคยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วพบว่านักสอนสาศาสนานักพูดธรรมก่อนที่จะอธิบายทมให้ใครฟังมักจะไม่ค่อยซักถามประวัติของผู้ที่จะสอนหรือถึงแม้จะซักถาม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 ซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรก็เพราะผู้เทศหรือผู้พูดไม่พยายามที่จะยังรู้ถึงอินสีทั้งห้าของเขาเสียก่อนสักแต่ว่าเมื่อตนเองตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรก็มักจะนึกถึงแต่ในแง่ของตัวเองที่จะพูดไม่ค่อยคำนึงถึงพื้นฐานในเรื่องอินสีของผู้ฟังจากหลักในข้อนี้ ท่านก็จะเห็นถึงหลักในการสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีว่าท่านสมัยได้ถูกต้องตามหลั ก, กจิตวิทยาแห่งการสอนมานานแล้วตามประวัติของพระพุทธเจ้าจะมีปรากฏอยู่ตอนหนึ่งกล่าวคือในเวลารุ่งอรุณก่อนสวาน่างพระพุทธเจ้าจะต้องทรงเข้าสมาธิพิจารณาดูสัตว์โลก ถ้าหากผู้ใดอยู่ในข่ที่จะได้บรรลุมรรคผลภาพของบุคคลผู้นั้นก็จะปรากฏในห้วงนึกของพระองค์ครั้นแล้วพระองค์ก็จะตรวจดูอุปนิสัยเสียก่อนแล้วจึงจะกำหนดวิธีการสอนว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรคําว่าตรวจดูอุปนิสัยในทีน่นี้หมายถึงการตรวจดูอินทรีย์ทั้งห้านั่นเอง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 แต่ละอย่างจึงได้ชื่อว่าเป็นอินทรีดังที่ได้กล่าวมาคำว่าอินทรีแปลว่าเป็นใหญ่อันหนึ่งอินทรีทั้งห้านี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพละห้าพละแปลว่ากำลังในที่นี้หมายความว่าคนที่มีกำลังใจสูงก็คือคนที่มีศรัทธา วิริยะสติสมาธิและปัญญาสูงและในเมื่อกำลังเหล่านี้สูงก็สามารถที่จะช่วยคนเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้